ยานย่างทราบของท่านอาจารย์มั่นในระยะที่อยู่ศึกษากับท่านอาจารย์มั่นนั้นท่านคอยสังเกตดูทุกแง่ทุกมุมของท่านอาจารย์มั่นและเห็นว่าไม่เหมือนครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่ท่านเคยประสบมาสําหรับท่านอาจารย์มั่นนั้น ไม่ว่าท่านแสดงสิ่งใดออกมาย่อมสามารถเอาเป็นคติธรรมได้ทั้งนั้นดังนี้ดูทุกแง่ทุกมุมเราดูจริงๆนะเพราะเราตั้งใจไปศึกษากับท่านจริงๆบางทีท่านก็พูดทีเล่นทีจริงเหมือนกันกันกบเราในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ก็พ่อกับลูกนี่แหละ แต่เรามันไม่ได้ว่าทีเล่นทีจริง น, นี่นะมันเอาจริงทั้งนั้นเลยท่านจะพูดแงไหนท่านมีคติธรรมออกมาทุกแง่ถึงแม้จะเป็นข้อตลกนี้ท่านก็มีคติออกมามีธรรมแทรกออกมาไม่ได้เป็นแบบโลกนะพูดถึงเรื่องความเลิศเลอที่สุดในภายในหัวใจก็ดีภายนอกก็ดี การประพฤติปฏิบัติของท่านก็ดีรู้สึกว่าที่เราผ่านครูบาอาจารย์มานี้ไม่มีใครเหมือนท่านพร้อมทุกอย่างยิ่งท่านเทศถึงเรื่องเทวบุตรเทวดาแล้วโอ้ยฟังแล้วเราพูดจริงๆนะเราเป็นจริงๆนี่นะฟังแล้วน้ำตาร่วงเลยนะพวกเทพพวกเทวดามาเยี่ยมท่าน มาฟังเทศท่านแต่ท่านจะพูดในเวลาเฉพาะนะท่านไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้านะนั่นแหละเห็นไหมจอมปราดท่านรู้หนักรู้เบารู้ในรู้นอกนะรู้ควรไม่ควรเวลามีโอกาสอันดีงามอยู่เพียงสองสามองค์คุยกันแล้วก็เสาะนั้นเสาะนี้อยากรู้อยากเห็น ท่านก็ค่อยเปิดออกมาเปิดออกมาทางนี้ก็ค่อยสอดค่อยแทรกเข้าไปครั้งนั้นบ้างครั้งนี้บ้างหลายครั้งต่อหลายหนนี่ท่านพูดถึงเรื่องเทวบุตรเทวดาอินพรหมที่มาเยี่ยมท่านท่านบอกว่าท่านมาอยู่ที่สกลนครนี้พวกเทวดามาเกี่ยวข้องน้อยมาก ท่านว่าอย่างนั้นนะจะมาเป็นเวลาว่างั้นคือมาในวันเข้าพรรษาวันมาคะบูชาวันวิสาขบูชาวันออกพรรษานอกนั้นเทวดาไม่ค่อยมากันหมายถึงเทวดาชั้นสูงนะพวกสวรรค์พวกภูมิเทวดามาห่างๆเหมือนกันนะส่วนไปอยู่เชียงใหม่โห ต้อนรับแทบทุกวันท่านว่าอย่างนั้นไม่มีเวลาว่างเลยเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นที่มาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นมาเป็นลำดับลำดาพวกเทวดาเช่นดาวดึงนี้มาการแต่งเนื้อแต่งตัวนี้มีลักษณะไหนรูปร่างนี้จะหยาไปอย่างนี้ความละเอียดนะละเอียด เรื่องของเทพนั้นละเอียดแต่เมื่อเทียบกับเทพทั้งหลายแล้วจะละเอียดต่างกันเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปนั่นละเห็นใหมยานอย่างทราบพวกตาดีท่านอย่างนั้นพวกตาบอดปฏิเสธวันยังค่ำว่าไม่มีโหเวลานี้กำลังเริ่มลบล้างพวกเทวบุตรเทวดาว่าไม่มีแล้วนะ ก็เช้าพุทธเราเองนี่แหละมันเป็นค่าศึกต่อพระพุทธเจ้าเสียเอง